ตอนที่19ให้หลิวเคอเคอร์อขอโทษเท่าแก่ยืนอยู่ด้านข้างอย่างรู้ความโดยไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเขาประเมินดูแล้วว่าชายที่พูดจังอัดผู้นี้มีท่าทํางไม่ธรรมดาและเขาก็ไม่อยากล่วงเกินนักกล่าวจากสํานักพิมพ์จึงปล่อยให้ทั้งสงฝ่ายลองเจรจา ก, กันเองก่อนเครอร์เคอร์ช่างเถอะเพื่อนร่วม ง, งานจากสำนักพิมพ์ที่อยู่ข้างๆเอ่ยปากเตือนหลิวเคอเคอไม่ให้ถือสาหาความอีชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นรองผู้พันเจิ้งแห่งเขตทหาร หากเรื่องราวบานปลายขึ้นมาจริงๆเกรงว่าจะจบไม่สวยอย่าว่าแต่หน้า ก, กาวอย่างพวกเขาเลยต่อให้เป็นหัวหน้าบรรณาธิการสํานักพิมพ์ก็ยังไม่ก ล, ล้าล่วงเกินคนจากเขตทหารลิวเคอร์เคอเดิมทีคิดว่าหลีชิงถิงไม่ได้เกาะขอนไม้ใหญ่จึงต้องมาทํางานรับจ้างหาเงินที่นี่นึกไม่ถึงว่าทั้งสองคนจะยังไม่ตัดขาดกันความอิจฉาริษยาพุ่งพ่านขึ้นมาในใจอีกครั้งหลิวเคอเคอร์กับฟันกรอดในเมื่อรองผู้พันเจิ้มพูดแบบนี้งั้นวันนี้ชาจะถือว่าผู้ใหญ่ไม่ถือสาหาความผู้นนน้้อยช่างมััแลวก ลิวานมองออกว่านางกำลังยอมจำนวนชัดๆพวกดีแต่รังแกคนอ่อนแอแต่กลัวคนแข็งแกรง่งถ้าคืนนี้พวกเขาไม่มาแม่ของเธอคงไม่รู้ว่าจะต้องถูกข่มเหงรังแกขนาดไหนหนูรู้จักคุณลิวานจงใจเปิดฉากด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นคุณคือคุณน้าใจร้ายที่เป็นชู้กับพ่อของหนูซิ่งคำพูดนี้ราวกับหินที่โยนลงไปในน้ำจนเกิดคลื่นนัำพันชั้นฝูงชนที่มุงดูอยู่ต่างพากันฮือฮาขึ้นมาทันที ทุกคนต่างคิดว่าเป็นเพียงความขัดแย้งธรรมดาระหว่างลูกค้ากับพนักงานเสิร์ฟนึกไม่ถึงว่าคนทั้งสองจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแม่ยอมยกพ่อให้คุณไปแล้วทำไมคุณยิงตามมารังแกแม่ของหนูที่นี่อีกหลหว่านกำมัดแน่นก้าวไปข้างหน้าเพื่อขวางหน้าหลีชิงผิงไว้ดวงตาจ้องมองหลียวเคริรเคิรด้วยความโกรธแค้นผู้หญิงเลวที่ทำลายครอบครัวคนอื่นกับผู้หญิงตัวคนเดียวที่น่าสงสารและต้องเลี้ยงลูกใครก็ตามที่มีความเห็นอกเห็นใจย่อมต้องเลือกยืนข้างหลีชิงผิง หลิวเคอเคอที่เพิ่งสั่งเมาไปไม่น้อยถึงกับตาโตด้วยความโกรธแทบอยากจะฆ่าหลีหวันให้ตายคามือนังเด็กนี่ดูอายุยังน้อยแต่คําพูดทุกคํากลับเต็มไปด้วยการวางแผนเล่นงานนางอีกทั้งสองแม่ลูกยังมีเจิ้งอวินชมคอยคุ้มครองคืนนี้คงไม่มีทางหาเรื่องหลีชิงถิงได้อีกแล้วแต่น่าเสียดายจริงๆที่ต้องพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปหลิวเคอเคอร์อสูดลมหายใจเข้าลึกๆพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อน หลิวันไม่มีเจตนาจะปล่อยให้นางไปง่ายๆเธอพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าคุณยังไม่ได้ขอโทษแม่ของหนูเลยเฮ<ห>้อเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแม่ของเธอเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านทำงานไม่รอบครอบในฐานะลูกค้าทำไมฉันต้องขอโทษหล่อนด้วยหลิวเคอเคอถึงกับหัวเราอออกมาด้วยความโมโนหนางอุตส่าห์ไม่เอาความแล้วหลิวันยังคิดจะตื้อไม่เลิกนั้นหรือใครพูดถึงเรื่องเมื่อกี้กันเล่าหลิวันรู้ดีว่าเรื่องในคืนนี้แม่ของเธอมีส่วนผิดแต่หลิวเคอเคอรก็แสดงออกชัดเจนว่าตั้งใจจะหาเรื่อง คุณทำลายความสุขในครอบครัวของหนูคุณไม่ควรขอโทษแม่ของหนูงั้นเหรอเรื่องราวได้ยกระดับจากเรื่องงานเมื่อครู่กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วลีหวันพูดต่อเสียแรงที่เป็นถึงนักกล่าวเป็นคนมีการศึกษาอุตสาหเรียนหนังสือมาตั้งหลายปีครูบาอาจารย์สั่งสอนให้มาทำลายความสุขในครอบครัวคนอื่นงั้นหรอเรื่องของฉันกับพ่อของเธ อ, อยังไม่ถึงคราวที่เด็กอย่างเธอจะมาชี้นิ้วสั่งสอนที่นี่ ลิวเคอร์เคออรูดีว่าในแง่ของศีลธรรมนางไม่มีข้อได้เปรียบใดๆเลยคืนนี้จึงอยากรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดลูกสาวของฉันไม่มีสิทธิพูดและฉันละ่ะตอนนี้หลีชิงถิงไม่ใช่ลูกพลับนิ่มที่ใครจะมารังแกก็เลยอีกต่อไปนับจากนี้ไปนางจะยืนหยัดขึ้นมาพูดเพื่อที่จะปกป้องลูกสาวให้ดียิ่งขึ้นนางจะเป็นภูเขาที่แข็งแกร่งและพึ่งพาได้ที่สุดของลูกลิวเคอเคอร์เธอไม่ควรขอโทษฉันงั้นเหรออารมณ์ของหลีชิงถิงเริ่มพลุ่งพลานขึ้น ถ้าไม่ใช่เพราะเธอแม่สามีของฉันจะพยายามฆ่าฉันกับลูกสาวเพื่อหลีกทางให้เธอได้ยังไงทั้งที่เธอรู้ว่าผู้ชายของฉันมีครอบครัวแล้วแต่เธอก็ยังเสนอหน้าประแสดงท่าทีอ่อยเขาเธอที่เป็นมือที่สามทำลายครอบครัวคนอื่นยังมีหน้ามาทําตัวกลางต่อหน้าฉันอีกหนังหน้าของเธอนี้มันหนาจริงๆฉันยอมรับว่าในเรื่องความรักเธอเป็นฝ่ายชนะแต่ในแง่ของศีลธรรมเธอแพ้เพราะไม่มีสามัญสํานึกใบหน้าของหลิวเคอร์เคอเปลี่ยนสีไปมาทั้งเขียวทั้งขาวสลับกันดูหน้าขันยิ่งนักมุมปากของนางกระตุกอย่างแรง นางแพทยานี่เมื่อก่อนทำไมถึงไม่ยักย้ายเห็นว่าหลีชิงผิงจะแข็งข้อได้ขนาดนี้ทั้งชีวิตฉันเกลียดที่สุดก็คือพวกมือที่สามทำลายครอบครัวคนอื่นคนคนนี้ดูแต่งตัวดีแท้ๆ แ, แต่กลับทำตัวไม่เป็นสประร์นั่นสิแค่ขอโทษเขาจะเป็นอะไรไปถ้าเป็นชนะตกให้นางหน้าห ง, งายยังไม่หายแคนเลยนี่ยังกล้าไปหาเรื่องเขาอีกถุยเอาหน้าที่ไหนมาทำนี่ขนาดเป็นนักข่าวสานักพิณนเนีย คนประเภทเดียวกันก็มาจะคบหากันเองนั่นแหละเพื่อนร่วมงานที่อยู่กับนางก็คงไม่ใช่คนดีอะไรเหมือนกันคําด่าลามไปถึงเพื่อนร่วมงานทั้งสํานักพิมพ์เพื่อนร่วมงานนักข่าวที่เพิ่งยืนอยู่ข้างหลิวเคอเคอต่างพากันขยับตัวออกห่างจากนางโดยไม่รู้ตัวช่างหน้าอับอายเหลือเกินในฐานะนักข่าวสานักพิมพ์พวกเขาไม่เคยทําเรื่องที่น่าขายหน้าขนาดนี้มาก่อนการทํางานในสํานักพิมพ์ถือเป็นงานที่มีหน้ามีตาและพวกเขาก็เป็นคนรักศักดิ์ศรี หลิวเคอเคอเห็นว่าเรื่องราวในคืนนี้เริ่มบานปลายจนเกินจะควบคุมได้แล้วนางกัดฟันกรอดยอมเอ่ยคาขอโทษอย่างเสียไม่ได้ขอโทษด้วยแล้วกันพอใจหรือยังหลี่ชิงถิงจําไว้ว่านี่คือสิ่งที่เธอพยายามบีบขั้นฉันหลิวเคอร์เคอไม่กล้าอยู่อีกต่อไปนางพุ่งตัวออกจากร้านอาหารของรัฐทันทีพร้อมกับเพื่อนร่วมงานนักกล่าวที่รีบเดินตามออกไปอย่างรวดเร็วหลิวเคอเคอเป็นคนรักหน้าตาที่สุดการต้องมาเสียหน้าต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ถือว่าเป็นการแก้แค้น ให้กับความอัดอั้นตันใจของลีชิงพิงเมื่อครู่แล้วลีชิงพิงในเมื่อเรื่องนี้จบลงแล้วเธอก็ไม่ต้องลาออกทำงานต่อไปเถอะเถ้าแก่พูดจบก็เตรียมจะหันหลังเดินจากไปแต่เจิ้งอวิ๋นฉงกลับเรียกเขาไว้กระทันหันหนางไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเถ้าแก่แปลกใจจ้องมองลีชิงพิงแล้วพูดว่าฉันจะไม่หักเงินเดือนเธอเรื่องเมื่อกี้เธอก็เป็นคนก่อปัญหาเองจริงๆฉันไม่ให้เธอรับผิดชอบความเสียหายในร้านก็ดีแค่ไหนแล้วนี่ยังจะมาเล่นตัวกับฉันอีกเหรอเท่าแก่คะ ลิวานตอบแทนแม่ของเธอสิ่งที่เจิ้งอวินชงพูดเมื่อครูนั้นถูกต้องแล้วงานนี้ไม่ทำแล้วหนูเข้าใจเจตนาของเท่าแก่ข่าเพราะหากมองในแง่ของการพัฒนาร้านในระยะยาวในฐานะเจ้าของร้านย่อมต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักแต่เท่าแก่เคยคิดไหมคะการที่ท่านปล่อยให้พนักงานของตัวเองต้องรับความอับอาแบบนี้มันก็เป็นการทาร้ายจิตใจพนักงานของท่านเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือบริษัทใหญ่หักไม่สามารถให้ความคุ้มครองพื้นฐานแก่พนักงานได้และเอาแต่ปล่อยให้พนักงานต้องทนทุกข์ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องปิดตัวลงพวกเราไม่ทําแล้วคะ่ะหลี่หวันกล้าไปข้างหน้ากุมมือที่เย็นเฉียบของแม่ไว้จากนั้นก็หันไปยิ้มให้แม่พวกเรากลับบ้านกันเถอะคะ่ะความจริงแล้วหลี่ชิงผิงคิดว่าการยอมทนลำบากบ้างก็ไม่เป็นไรขึ้นชื่อว่างานที่ไหนบ้างจะไม่ต้องทนลำบากแต่ลูกสาวเป็นห่วงนาง ในเมื่อหลี่ชิงถิงไม่ทำแล้วค่าจ้างของเมื่อวานครึ่งวันกับของวันนี้ทั้งวันก็ต้อง ส, สังารให้เรียบร้อยนางจะทำงานฟรีไม่ได้หลี่ชิงถิงขอเบอิกค่าจ้างหนึ่งวันครึ่งเท่าแก่ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกับนางจึงจ่ายเงินให้แล้วรีบไล่พวกนางไปให้พ้นพ้เมื่อกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาสี่ทุมแล้วครั้งนี้หลี่ชิงถิงเชิญเจิ้งอวินฉงเข้าบ้านอีกครั้งแต่ชายหนุ่มยังคงยืนอยู่หน้าประตูและไม่ยอมเข้าไปเรื่องงานเดี๋ยวผมจะช่วยคิดหาทางให้คุณรอฟังข่าวอยู่ที่บ้านก่อนแล้วกัน